คือถ้าตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้สําคัญว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราในจักรสุในหูในจมูกในลิ้นในกายและในใจเนี่ยนะคือเมื่อเจริญวิปัสสนาใคร่ครวนในความเป็นของไม่มีสาระไม่เป็นของไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งความลําบากเป็นทุกข์เป็นอาพาธเนี่ยเป็นของที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นตั้งแห่งความร้าร้อนเป็นตัวชรามรณะเป็นต้นเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆ จะเอาสิ่งเหล่านี้มาสําคัญว่าชั้มเนี่ยดีกว่าเขาไหมหรือว่าเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาไหมก็ไม่เป็นอ่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าสาระที่เป็นจริงค่าที่เป็นจริงของสิ่งนั้นคือตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงและใจอะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะโอ้โหจมูกลิ้นกายก็ในระยะเดียวกันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกทีนี้ถ้าไม่ไปสําคัญว่าเป็นของเที่ยงมานะมันก็ไม่เกิดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็น สุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เกิดเมื่อสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตัณหาก็ไม่เจริญเมื่อสำคัญว่าไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วเป็นใครนะเนี่ยนะก็พิจารณาโดยสุญญาตานะถ้าผู้ที่ต้องการสลัดออกจากสิ่งนี้เนี่ยนะต้องพิจารณาโดยสุญญาตาอาการสองก็คือไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของของตน ใ, นในหนึ่งอีกในหนึ่งก็บอกไม่สาคัญสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตน แล้วไม่สําคัญสิ่งว่าเหล่านี้ว่าเป็นตนที่จะเข้าไปสําคัญในฐานะกับบุคคลอื่นโดยอาการในไหนหรือไม่สําคัญว่าเป็นบุคคลอื่นแล้วไม่สําคัญบุคคลอื่นตั้งอยู่ในฐานะในไหนเห็นไหมคือไม่สําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาข้อแรกนะข้อสองก็บอกไม่สําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาโดยไปเปรียบเทียบว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอากับบุคคลอื่นเลย แล้วก็ไม่สำคัญสิ่งอื่นว่าเป็นอัตราด้วยแล้วไม่สำคัญสิ่งอื่นที่จะมาสำคัญว่านี้เป็นลุงเป็นปะเป็นหน้าเป็นอาเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไรก็เห็นว่าทั้งมวล น, นั้ น, ค, นนะคือสังขารเนี่ยนะคือสังขารซึ่งไม่ใช่ใครและก็ไม่ใช่ของของใครจริงๆนะมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครใช่หแต่มันไปสำคัญว่าเป็นเป็นเราแล้วก็เป็นของเราเนี่ยถามว่าแผ่นดินนี่มันของใคร หลวงมันอยู่มันก็ว่าของมันเนี่ยแต่แต่มนุษย์เขาบอกใครถือโฉนดของคนนั้นไะใครถือแผ่นกระดาษนะี่ยบางทีเจ้าของไม่ได้อยู่แล้วอ่า น, นะเหมือนบ้านเหมือนกันเนี่ยนะบ้านเนี่ยมันบ้านคนใช้แล้วบ้านเจ้านายก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอย่างรีสอร์ทนี่รีสอร์ทผูกการหรืว่ารีสอร์ตผู้คนงานในรีสอร์ตก็ไม่ทราบของของกรุงเทพน ะ, นะผู้ผู้ใดสเสวยของผู้ด้านเนย นั้นก็ไม่รู้ของใครจริงๆอ่ะนะในโลกนี้เนี่ยนะว่าของเราว่าของเรามันมันสําคัญผิดไปอ่ะนะว่าไปยึดถืออะไรกันขนาดนั้นถ้าจริงๆแล้วของใครเอาถ้าว่ากันโดยแง่มุมต่างๆเกิดการเปรียบเทียบแล้วนะของในโลกนี้มันของใครโลกคือบ้านบานคือเสื้อผ้าทฤษฎีคุณมันมีในคิดตามไม่ได้เลยคิดแล้วยุ่งไปหมดค <c oughs> ือสมมตินเรื่องที่ดินเนี่ยนะ ผมเอ่อผมทําธุรกิจที่ดินมาก่อนมย่างหนุมน่มๆไอ้ความยึดถือเนี่ยนะถ้าที่ดินแปลงไหนว่าเป็นของเราเนี่ยนะเออพอเราเป็นเจ้าของนี่นะใครมาเดินผ่านโดนไม่ได้ขออ น, นุญาตนี้และปกติชาวบ้านเขานะ่ะเขาไม่ได้มาถืออย่างเราอะ่ะเขาตั้งปู่ย่าตายายมาเขาเดินถึงกันหมดหัวสวนท้ายสวนผ่านที่ใครเขาไม่ไหวกันใช่ไหมฮะ เราไม่ได้ดิมันของเราอันเป็นการของเราไปแล้วใช่ไหมมันเดินมันจะบอกเราถ้าคำก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วยิ่งมาต่างจังหวัด น, นะยิ่งมากกว่านั้นอีกครับนะต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาจะถือเป็นของธรรมดาเลยที่เขาจะไปเดินไปถ้ามาอะไรอะไรในที่คนอื่นเนี่ยธรรมดาธรรมดานะแต่คนกรุงเทพมานี้ไม่ค่อยชอบใจแล้สนงะทําไมมาผ่านที่เราเอนะแล้วยิ่งผ่านมาแล้วยังไม่พอนะ่ยังแบกปืนผ่านมาอีกงี่นะ <c oughs> ไม่ชอบใจเลยนะ แล้ว <Es per ated> มีนะที่แม้แต่ที่รีสอร์ทเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นระหว่างหมู่บ้านหนึ่งกับหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยแล้วเดิมก็เข้าไปเดิน เ, เดิมนะเขาอาจจะเดินทางอื่นแต่นี้ทางนี่มันสะดวกขึ้นน่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ล้วก็รอบขวบชินก็ไม่มีใช่ไหมก็เดินผ่านเดินผ่านได้พอ ย, ยังแบกปืนมาอีกนะ <S <S <ม>ยังหิ way, ้วไอ้ไอ้ไอ้ตะข้องปลามาอะไรเงี้ยนะครับแต่งตัวพเพลอ่อพลังมาอะไรเงี้ยนะ แม้แต่ว่าอาศัยว่าเราใช้ความอดกลั้นมันเราไม่นั่นเลยไม่มีนั่นเลยนะออืท่านเชื่อไหมถ้าคนอื่นนะตัดสินใจผิดยุทธกระทําผิดอะไรนะเป็นประโยชนวิบัติเนี่ยนะโอ้ได้เรื่องหลายเรื่องแล้วเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราจะไปพูดแตอะไรเนี่ยนะฮะโอ้ได้เรื่องเลยรับร อ, องได้เลยนะแล้วอันตรายมากเลยนะมันคือที่ดินในโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใครอยู่แล้วใช่ไหม ก็ใครอาศัยก็เป็นของคนนั้นๆั่นไปนะอย่างที่เราอยู่มันของใครที่เราตรงที่เรานั่งเนี่ยนะมันของใครอะ่ะถ่านนเนี่ยมันของใครอย่างเงี้นะคือถ้าถามแบบนี้จริงๆแล้วมันหาเจ้าของไม่ได้จริงๆหรอกเพราะว่าคนที่ตายเข้าไปก่อนๆเขาก็ว่าของเขาเขก็ตายไปแล้วนะแล้วของเรานะถ้ามาถามอีกร้อยปีเนี่ยมันของใครเงี้ยนะน ว, ว่าไงกันี้แต่พอเราทําใจได้นะแล้วเราก็าไปทักทายเขาด้วยแบบด้วยมิตรไมตรีนะ มันหายไปได้เหมือนกันฮะเออมันก็เดินไ้ากับไม่มีเรื่องมีราวอะไรเออมันแปลจริงก็แค่ความรู้สึกเท่านั้นอ่ะคือต่างจังหวัดเขาไม่ได้คิดเป็นเป็นเรื่องเป็นอะไรเลยนะเขาไม่รู้สึกตัวด้วยว่าเขามาทําอะไรเขาเขาไม่ได้นึกว่าเขาเสียหายอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่ไม่ได้ถ้าคนต่างถิ่นบางทีเนี่ยนะถนนเป็นของเราถนนส่วนบุคคลนัเขียนป้ายไว้ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะเดี๋ยวคนอื่นก็จะมารู้ว่าเป็นของหลวงอีกนะ แบ่งๆคนอื่นใช้บ้างจะไปเดือดร้อนอะไรถนนมันไม่ยุบไปสักกี่เซนอะไรหรอกแต่ว่าไอ้แรงแห่งความยึดถือเนี่ยโอ๊ยยึดอะไรจะปานันคนข้างนอกไม่รู้จักกันทั้งหมู่บ้านคนในบ้านบ้านติดกันยังไม่รู้จักกันอ <c oughs> ันไอ้ความยึดถือนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งแห่งความทุกข์นะนี่ถ้ายึดถือสิ่งใดแล้วไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยมันหายากหายากจริ ง, รงๆอนะนี่ยยึดสมมุติถ้าเรายึดรถมากเลยนะนั่งฟังธรรมจะมีความสุขไหม ใครจะมาขีดรถเราหรือเปล่าวนนี้ใครจะมาเจาะยางรถเราหรือเปล่าใครจะมาขวนรถเราหรือเปล่าหรือรถเราหายไปอย่างนี้นะโอ้โหเดือดร้อนมากเลยนะถ้ายึดมากนะถ้าพะวงกับสิ่งนั้นมากมาโอ้โหจะทุกร้อนขนาดไหนนะวัตถุทั้งหลายโดยทั่วๆไปแล้วถ้าผู้ที่ไม่พิจารณาโดยรอบคอบโดยแยบคายเนี่ย น, นะมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งหมดนั่นแนหะ ส่วนคนที่เข้าไปรอบรู้เข้าไปทําพิจารณาเนี่ยนะถึงเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็โดยที่ไม่อย่างน้อยที่สุดถ้ารู้ตามเป็นจริงก็ลดโทมนัตลงไปเยอะใช่ไหมเพราะว่าโทมนัตทั้งหลายเกิดจากฉันทราคะเนี่ยนะถ้าตัดฉันทราคาไปเนี่ยนะโทมนัตก็ลดไปเยอะถ้ายิ่งตัดฉันทราคาสาคัญว่านั่นไม่ใช่เราด้วยนะไม่ใช่ของเราด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่มีฉันนราคะในวัตถุนั้นเลยเนี่ยนะ มันทำแมลงเมาเนี่ยนะมันบินไปแล้วมันไปตกตายที่เราไม่ได้สําคัญว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะมันจะเดือดร้อนกับมันไหมมันตายสักเจดรอบเราก็ยังเฉยเฉยเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ถ้าสมมุติถ้าโหนี่มันของเราตัวนี้สวยมากแล้แล้วมันหายไปนะแล้วมันบินหายไปเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหนก็เดือดร้อนอย่างมากอยู่แล้วนะคือจริงๆริะนะคนก็ไม่เดือดร้อนแมลงเมานะแต่ก็ไปเปรียบแมลงเมากับไก่เป็นต้นเนี่ยนะพวกเลี้ยงไก่ชนเนี่ยเดือดร้อนมากเลยน้องไก่ก็หายไปวันหนึ่งดูเถิด ถ้าผู้เลี้ยงนกเขาเนี่ยนะก็ดูดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเองถ้าเป็นคนเลี้ยงไก่เนี่ยนะโอ้ยมันทนุถนอมไก่จริงๆนะอาบน้ําให้ไก่อต่ในอาบน้ําให้ไก่นะฟังเรื่องธรรมดามันมีที่หนักกว่านั้นอีกถ้าไก่มันเป็นวัดเนี่ยนะน้ํามูกเต็มไปหมดเนี่ยเขาดูดออกนะใช้ปากเนี่ยดูดออกจริงๆเลยอะ่ะคนรักเขารักไก่ขนาดนั้นนะใช้ปากเนี่ยดูดไก่เนี่ย ดูดปากไก่จมูกไก่เนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆเลยนะของคนที่เลี้ยงไก่ชนจริงๆเนี่ยเขาเอากันขนาดนั้นโอ้โหเขาห่วงธนุธนอมมากขนาดนั้นสมมติถ้าแม่เป็นหวัดนี่กล้าดูดออกให้หรือเปล่าเขาไม่ทราบนะถ้าพ่อไม่สบายดูดออกให้ท้องทาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไก่ไม่ได้เขียวลูกพอกันนะเดี๋ยวจะไปต่อยอแล้วก็ดูดออกได้หมดแลธนุธนอมห่วงแหนกันมาก เพราะอะไรเพราะติเล็กราค่ะครับคือเพราะฉันราคะที่เขามีต่อมันเพราะหมายถึงว่าถ้าต่อยงานนี้มันชนะมาไอ้กูได้หลายหมื่นแต่ถ้าแพ้มาก็ไอ้เขียวเอ้ยมึงต้มไปเถอะกลับมาก็ต้มขายต่อมีโอ้มเสียไปเป็นหมื่นเป็นแสนจะไปเหลือได้ยังไงต้มคาเลยต้มขาเล ย, เลยแค้นมาก คือยุคทุกวันนี้คนเล่นหันไปเล่นไก่มากขึ้นถามว่าทำไมมันบอกมันไม่รู้จักล้มวยนั่นนะเพราะฉะนั้นคนก็เล่นเล่นไก่สมัยที่เราไปวันอาทิตย์บ่า ย, ายไปบ้านทุกการธนัดเห็นไหงรถจอดกันเป็นหูยเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยยิ่งกว่าพี่มหากร ร, รมอย่างอื่นอีกงานทั่วไปเนี่ยจัดสัมมนาใหญ่ๆเนี่ยรถกะมากขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นีรถเป็นหลายร้อยคันเลย มามาจอดเพื่อจะเล่นไก่เนี่ยแล้วก็คนที่เลี้ยงไก่นี่ก็โหยเอาจริงๆเลยนะไปหายาให้ไก่เนี่ยขยันมากตื่นแต่เช้าพาไก่วิ่งนะซ้อมไก่ฝึกซ้อมไก่อะไรไก่เนี่ยโอ้น่าเห็นใจนะของเราก็ยังเคยเป็นไก่แบบนั้นมาแล้วนะถ้าหากว่ายังไม่พ้นจากวัตถาก็จะไปเป็นเจ้าของไก่แบบนั้นนี่ก็เดือดร้อนมาก ผมเคยถามพระรูปหนึ่งเลยนะมันไปดูพากันไปดูศพอยู่วันหนึ่งนั่นนะก็ถามว่าในี่ใครกล้าจูบศพนี้บ้างเนะก็ถามกันไม่เล่น่ะนะท้ายแสนนึ่งเลยเอา้ามีหนึ่งองค์เสนอขึ้นมาเลยผมะนะศพก็กระมันกันเน่าเต็มทีแล้วนะบอกว่ามันช่วยสร้างสาราผมได้เยอะนะเขาางกัน ท่านกำลังสร้างศาลาอยู่นะแสนหนึ่งก็ช่วยสร้างศาลาไปเยอะนะก็คนอื่นก็ไม่เอากันหมดเลยนะเจ้านี้จะเอาได้โอ้โหมันให้มันขนาดนั้นนะขอให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีค่านะขอให้รู้ว่าถ้ามีอาัศาธานะสัตว์ทาได้หมดอนะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เนี่ยนะขอให้รู้ว่าสิ่งนั้นอนะมีทำไปแล้วจะได้อาัศาธะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนะเอาหมดอนะ ก็ขนาดนั้นเขายังเอาเลยนะยังอื่นไม่ต้องไม่จำต้องกล่าวถึงว่าจะไม่เอาเ น, นะโหศพเน่าเฟะอะไรบอกจะจูบแฝดหนึองอะ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งเลยนะว่าสังโยชนะสูตรดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะเป็นเหตุแห่งสังโยชน์และสังโยชน์ก็เท่ากับบอกว่าอารัมมณปัจจัยของสังโยชน์กับตัวสังโยชน์นั่นเองเธอทั้งหลายจงฟัง ก็ธรรมะที่เป็นเหตุแห่งสังโยชน์และสังโยชน์เนี่ยเป็นไธรรมะที่เป็นเหตุแห่งสังโยชน์และสังโยชน์นั้นคือจักรสุเป็นธรรมะอันเป็นเหตุแห่งสังโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักสุนั้น่ะเป็นสังโยชน์ในจักสุเนี่ยนะคือตัวจักสุเนี่ยนะเป็นทั้งทวารแห่งสังโยชน์เป็นทั้งอารมณ์แห่งสังโยชน์ จากสูนี้เป็นอัพยากตธรรมสังโยชน์เป็นอกุศลธรรมหูก็เหมือนกันนะหูเนี่ยเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ความกำนัดด้วยอำนาจความพอใจในหูนั้นอ่ะเป็นสังโยชนิยธรรมหูเป็นสังโยชนิยธรรมจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสังโยชนิยธรรมคือเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เปรียบเหมือนไรถ้าถ้าเป็น ฟืนไฟไม่ฟืนเนี่ยนะเหตุแห่งสังโยชน์ก็เหมือนกับฟืนตัวสังโยชน์เหมือนกับไฟที่ไม่ฟืนนะคือสังโยชน์เนี่ยแปลว่าแปลว่าแปลว่าความผูกความพันเนี่ยนะผูกอะไรผูกตาเอาไว้ให้มีตาต่อไปผูกหูเอาไว้ให้มีหูผูกจมูกเอาไว้ให้มีจมูกผูกลิ้นให้มีลิ้นผูกกายให้มีกายผูกใจให้มีใจเนี่ยนะ หรือว่าร้อยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ทิ้งอันนี้ไปถือเอาอันใหม่เนี่ยนะเรียกว่าร้อยรัดผูกมัดต่อไปยังไงเรื่อยทาจะกล่าวไปนะสังโยชน์ก็เหมือนกับสนที่สัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่สืบต่อเป็นตัวเชื่อมสนที่นี่แปลว่าสืบต่อสัญญาก็คือความสําคัญหมายว่าต้องต้องต่อกันไว้แบบนี้นะสังโยชน์ก็เหมือนกับสนที่สัญญาที่ที่ประชุมสัญญากันเอาไว้นะฮะต้องกติกาต้องอย่างนี้อย่างนี้สังโยชน์ก็เอาอย่างงั้นเลย เพราะฉะนั้นผูกขันเอาไว้กับขันผูกพบเอาไว้กับพบผูกสัตว์เอาไว้กับทุกนั่นเองทุกอันเนี่ยนะตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยเป็นสังโยชนิยธรรมคือเป็นเหตุแห่งสังโยชดหรือเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชดก็ได้เป็นทวารแห่งสังโยดก็ได้แล้วก็เป็นที่สัตว์เนี่ยผูกยึดติดผูกพันรักใคร่มากสังโยชนี่เป็นเครื่องเครื่องผูกเนี่ยนะเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดเป็นเครื่องร้อยรัดก็ได้ ส่วนอีกสูตรหนึ่งอุปาทานสูตรกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมะอันเป็นเหตุแห่งอุปาทานและอุปาทา น, นนะทำที่เป็นเหตุแห่งอุปาทานก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นะตัวอุปาทานก็คือกาโุปาทานเป็นต้นที่ที่เข้าไปติดในในตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสองสูตรนี้กล่าวว่าตาทั้งนั้นเลยนะทั้งสังโยชนะสูตรกับอุปาทานสูตร ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งทั้งเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานส่วนอุปาทานเนี่ยเป็นเครื่องเข้าไปติดเข้าไปคล้องไปเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอีกสูตรหนึ่งปฐมอปริชานสูตรดูก่อนพ่สูจน์ทั้งหลายบุคคลไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่น่ายไม่ละจักสุย่อมไม่ควรสิ้นทุกข์ไม่รู้ยิ่งคือไม่ธรำยาตะปริญญา ไม่กําหนดรู้คือไม่ทําตีระปริญญาไม่นายก็คือกลุ่มปหะนาปริญญาเนี่ยนะปะหานะแบบโลกิยะเนี่ยสวรไม่ละอันนี้หมายถึงปหานะปริญญาที่เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรสิ้นทุกข์เลยนะถ้าไม่เอาจักรสุมาทําปริญญาไม่พิจารณาไม่เบื่อไม่นายไม่ละฉันทราคาในจักรสุเนี่ยไม่ควรพ้นทุกข์นั่นนะ บุคคลผู้ไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่หนายไม่ละหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมไม่ควรสิ้นทุกข์เหมือนกันนั่นแหะอันนี้เป็นวัตถะนะว่าถ้ากล่าวว่าเธอเนี่ยไม่ควรสิ้นทุกข์นะถ้าเธอไม่ทําปริญญานะไม่ทํายาตะปริญญาตีระณะปริญญาปหาณะปริญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอไม่ควรพ้นทุกข์นะก็เท่ากับบอกเตือนเราตรงๆเลยนะ จริงๆก็ว่าไปหลายสูตรแล้วนะสูตรเหล่านั้นเป็นวิธีการทําปริญญาทั้งหมดบางสูตรยาตะปริญญาบางสูตรเน้นตีระนาปริญญาบางสูตรเน้นทั้งยาตะตีระนาปหานะปริญญาไม่หมดเลยนะแสดงไปหลายสูตรแล้วพอมาสูตรเนี้ยเป็นสูตรกํากับนี่นะเป็นสูตรย้ําว่าถ้าเธอไม่ทําตามที่กล่าวไปแล้วนะไม่ควรแก่การทุนทุกโดยการพิสูจนทั้งหลายส่วนบุคคลผู้รู้ยิ่งกําหนดรู้นายละจากโสเนี่ยควรสิ้นทุก แต่ว่าทำยาตะปริญญาตีรนะปริญญาปหานาะปริญญาในตาหูจมูกิ้นกายใจเนี่ยเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ถามว่าสิ้นทุกข์ไหนล่ะเออถ้าเอาตาหูจมูกเลนปลายใจมาทาปริญญาหมดเนี่ยนะจะทําให้หมดจากทุกข์อันไหนทุกข์ในวัตฏะเนี่ยจะทําให้สิ้นทุกข์ในวัตฏะถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาทาปริญญาหมด โดยเฉพาะใจเนี่ยนะอรหัตตมักนะจึงจะทําปริญญาได้อย่างบริบูรณ์พันธาผู้ที่ทํายาตะตีรณปาปะ hana ปริญญาเนี่ยนะในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บริบูรณ์ที่สุดต้องระดับอรหัตตมักเนี่ยนะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เอามาข้ออ้างว่าเออเราจะไม่ทําปริญญาละเพราะยังไม่ได้อรหัตตมักใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่ า, าการทําปริญญาพิจารณารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหรันเนี่ยนะ เอ้ผราหันก็อยู่ไม่ไกลนะก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะจะว่าไกลก็ไม่ไกลจะว่าไกลก็ไม่ใกล้จะว่าไงกันไน่ตกลงเอาไงใกล้หรือไม่ไกลดีใกล้หรือไม่ไกลดีก็ถามว่ามันใกล้หรือมันใกล้ดีใกล้ก็คือไม่ไกลอ่ะเนาะส่วนอันนี้เป็นปฐมปริชาณสูตรนะท่ากล่าวตามพยัญชนะเนี่ย พอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่ไหนไม่ละรูปไม่ควรสิ้นทุกข์อันนี้เป็นทุติยะอปริชานาสูตรเนี่ยนะแต่หัวข้อข้างหลังเนี่ยไม่น่าขึ้นอันนั้นเลยน่าจะขึ้นตรงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตงนั้นนะคือปฐมปริอภริชานะก็คือในอายตนะภายในใช่ไหมทุติยะอปริชานะก็คือในอายตนะภายนอก ซึ่งตรงนี้เนี่เข้าใจว่าขึ้นหัวข้อสูตรไม่ตรง น, น, นะะเพราะว่าสูตรที่สองไม่ได้เกี่ยวอะไรบอกคำมีคำว่าปริชานะอะริชานะอะไรอยู่ในพยัญชนะในข้อหนึ่งสองแม้แต่คนหน่อยเดียวไม่มีเลยร6 3ก็ไม่มีมันเกี่ยวกับเรื่องปริชานะเนี่ยแปลว่ารอบรู้เนี่ยนะหรือรู้รอบอภริชานะก็คือไม่รู้รอบมันถ้าดูตามลักษณะแล้วก็ ไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่หน่ายไม่ละอายตนะภายในเนี่ยเป็นปฐมส่วนทุติยะก็คือไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่หนายไม่ละรูปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสิ้นทุกเนี่ยนะแสดงนะรูปายตนะเป็นต้นนะสีเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมรมเนี่ยถ้าไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่หนายไม่ละเนี่ยไม่ควรสิ้นทุกเลยนะผู้ทุกข awan เนี่ยนะส่วนบุคคลผู้กําหนดรู้นายละรูป ย่อมควรสิ้นทุกขนะ์ก็ผู้ที่ทําปริญญาสามในรูปเสียงกลิ่นรสและโพธะะนี่แหละเป็นผู้ที่ควรสิ้นทุกละทำไม่ทำปริญญาก็ไม่ควรสิ้นทุกเนี่ยนะนะส่วนอีกสูตรหนึ่งเลยนะสูตรนี้ชื่อว่าอุปัสสติสูตรนะข้อหนึิสองเลยนะกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณตาหนัก ที่ก่อด้วยอิทกระเบื้องของหมู่พระญาติของพระประยุรญาติเนี่ยทั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักอยู่ในที่สงัดได้ทรงพาสิทธธรรมปริยายนี้ว่าอันนี้นิพงสาธยายนะจริงๆแล้วถ้าในที่อื่นนะในสังยุตติกายนิทานวัคข้อหนึ่งร้อยสิบหกหน้าสองอยี่สหกถึงแปดเนี่ยนะกล่าวถึง เนื้อหาเหมือนกันเลยว่าพระองค์เนี่ยสาตรึกก่อนพระองค์นี้ใถคร่ครวนธรรมะเสร็จนะพอไถ่ครวนพิจารณาเสร็จพระองค์ก็ได้สาธยายนี่นะคือทรงพาสิทธธรรมะปริยาย น, นี้แปลว่าสาธยายด้วยวาจาตรึกด้วยใจก่อนแล้วสาธยายด้วยวาจานะในในสังยุตตนิกอักขรถทถาบอกอย่างนั้นเลยเพราะนั้นในเล่มก่อนเนี่ยบอกแล้วเล่มนี้เลยไม่บอกนั่นะนะพันพระองค์ได้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 ก็กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทคือทั้งทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ในทวารตานะทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ในทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในยะเดียวกันเห็นไหมหัวข้อนี้เป็นเป็นหัวข้อที่เราควรเอามาคิดมาไข้ครวนให้มากนะปฏิจจสมุปบาทในทวารตาปฏิจจสมุปบาทในทวารหูปฏิจจสมุปบาทในทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจนะ คำว่าปฏิจจสมุบาทนี้แปลวหมายถึงปัจจัยนะปฏิจจสมุปฏิจจสมุบาทนี้จะเป็นคําที่คู่กันกับปฏิจจสมุปปณธรรมปฏิจจสมุปปณธรรมคือปัจจยุบันหมายถึงผลปฏิจจสมุบาทหมายถึงเหตุมันถ้ากล่าวถึงปฏิจจสมุบาทแล้วปฏิจจสมุปปณธรรมก็เท่ากับแสดงแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นปฏิจจสมุบาทคือเหตุปฏิจจสมุปปณธรรมคือผล ที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นทางทวารตาทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทะวารใจส่วนในข้อ163กเนี่ยนะกล่าวถึงปฏิจจสมบาติโดยปฏิโลมหมายถึงการดับวัตตะเนี่ยนะหมายถึงวิวัตตะนะดับวัตะก็คือวิวัตตะนะหรือหมายถึงนิโรสัร์กับมรรษนั่นเองว่า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 ทวารทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะดับทวารทั้งหลายก็ดับที่โดยการสํารอกฉันทราคะในทวารหาส่วนในข้อ164กล่าวว่าสมัยนั้นนะ่ะภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ตรึกก่อนใช่ไหมตรึกเสร็จแล้วพระองค์ก็สาธยายภิกษุรูปเนี่ยปกติท่านก็จะเข้ามาประพฤติพักคันตะกุตีเนี่ยนะมาปัดกวาดเช็ดถูรอบๆ บ, บริเวณพักคันตะกุตีก็แอบดูพระพุทธเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ นี่ได้ยินพระ อ, องศาทยายานะพิสุรูปงนี่เงี่ยโสดฟังเลยนะปั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นพิสุนั้นแล้วก็ตรัสถามเธอว่าดูก่อนพิสุเธอได้ฟังธรร ม, มะปริยานี้แล้วหรือพิสุนั้นกราบทูลว่าได้ฟังแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอจงเรียนจงเล่าเรียนจงทรงจําธรรมะปริยานี้ไว้เถิดเพราะว่าธรร ม, มะปริยานี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ น, นั่นะอ อันนี้แหละธรรมะประยายคือเหตุที่ที่พระองค์แสดงธรรมะอันนี้เนี่ยนะประกอบด้วยประโยชน์จริงๆประโยชน์ยังไงประโยชน์เพื่อการดับวตตะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยให้เรียนให้ฟังไว้ดีนะนี่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เ น, นี่ยนะจางสันติก็ถามว่านี้นะติดมาจากใครเมื่อกี้ในพวกนี่นะนึกได้จางสันติก็ถามว่านี้นะติดมาจากใคร ว่ารู้แล้วว่าติดมาจากใครอาจารย์เกย์สอนาจารย์เกย์สอว่าเนี่ยนะเราก็เลยเอ๊ะไปจํามาได้ยังไงวะเนี่ยจบแล้วเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดมาก่อนอได้มาคนละคำน้องเขาเหมือนกันคือการเรียนการทรงจําธรรมะปริยายเหล่านี้เนะี่ยสําคัญมากถ้าถ้าทรงจําได้เล่าเรียนได้พิจารณาได้เนะี่ย จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์จริงๆถามว่าทําไมจึงเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เพราะว่าเมื่อตามองเห็นเราจะมองเห็นวัตตะเลยเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยเห็นวัตตะเลยจะโมกรู้กลิ่นเห็นวัตตะเห็นความเป็นไปของสังสารวัฏเมื่อลิ้นรับรู้รสเห็นความเป็นไปแห่งสังสารวัฏกายรับกระทบโพลทภาพเป็นไปสังสารวัฏเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างเนี้ย แล้วก็รู้ได้ว่าถ้าจะดับวัตตะนาะต้องตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านี้นะตัดชันทราคาในทวารตาตัดฉันทราคาในทวารหูตัดฉั้นทราคาในทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจให้หมดถ้าตัดชันทราคาเหล่านี้ได้นี่เป็นเป็นการดับวัตถุทุก่ะนะถ้าบุคคลรู้อย่างนี้จะเป็นเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคไหมรู้เลยนะว่าวัตตนนี่สร้างยังไง แล้วจะดับวะตะนี่ดับได้อย่างไงถ้ารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะสนทันจะสาธยายจะทรงจำจะเล่าเรียนจะเอามาตรึกจะเอามาเพ่งเอาไว้ตลอดเพราะรู้ว่ากระแสะวะตะเป็นไปอย่างนี้วะตะทั้งหลายจะดับได้อย่างนี้ข้ อ, ขอหนึ่ง้อยหกสิบสี่ครับจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ข้ อ, อหนึ่ง้อยหกบสองถึงหนึ่งอยหสิบสี่นไห ก็สูตรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าสูตรนี้มาย้ําว่าเอาไปจําให้ดีนะไปเรียนไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นเนี่ยนะก็เพราะไรเพราะว่าสองสูตรนี่ยเป็นการกล่าวทั้งวัตตะและวิวัตตะเนี่ยนะว่าสังสารวัฏเป็นไปอย่างนี้นะถ้าจะดับสังสารวัฏเนี่ยดับอย่างนี้นะสาธยายไว้วันละหนึ่งรอบก็ย่างดีนะออวัตตะเป็นไปอย่างนี้นะวันนี้ไปสร้างวัตตะอะไรมาบ้าง คือไปดูไปเห็นไปฟังไปได้กลิ่นไปรู้รสไปรับกระทบโพธมภพไปคิดอะไรมาบ้างอันนั้นแหละคือการสร้างวัตะนะแล้วถ้าตัดชั้นธราคะเหล่านั้นได้นะเป็นการดับวัตะนะขึ้นไปสูตรใหม่เลยนะโลกกาลมคุณวรที่สองโอ้โ ห, โ, หโลกของกามาคุณเหมือนกันเด ในข้อ165กล่าวว่าดูความพิ่สูทั้งหลายรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจากสุอันน่าปราทนาหน้าใคร่หน้ า, า, นาพอใจหน้ารักอาศายัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่หากภิกษุเพลิดเพลินสรรเสริญหมกมุ่นพัวพันรูปนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไปสู่ที่อยู่ของมนันตกอยู่ในอำนาจของมนันถูกมานเนี่ยคล้องรัดมัดด้วยบ่วง ภิกษุนั้นพึงถูกมารผู้มีบาปใช้บ่วงทําได้ตามความปรารถนาอ น, นะเมื่อเห็นสีสวยนะไปเพลิดเพลินสรรเสริญหมกมุ่นพัวพันสีนั้นเมื่อไหรก่ก็จิตขณะนั้นเนี่ยจิตนั้นเนี่ยนาไปสู่ที่อยู่ของมารตกอยู่ในอํานาจแห่งมารนั่นนะมารนี่คล้องรับมัดมารนี่นําท่านนาไปได้ตามใจปรารถนาหมดเลยนะอะไรมารไหนว้า กิเลสมารเนี่ยฉุดไปแล้วอันดับแรกไปไนมสองมารไหนอีกถ้ากล่าวเป็นวจีกรรมเป็นต้นมารไหนอะพี่สังคารมานก็เอาอละในที่สุดถ้าอภิสังคารมานนําเกิดได้อะไรนำอีกขันธมานก็พาตายมัจจุมานก็เล่นงานสัดเขาอีกเนี่ยนะเทวปุตตมานก็ฉุดไปเรื่อยอะ อย่างวปุตตมานก็คือคนอื่นนะนะก็ฉุดไปเรื่อยถ้าเราชอบสีนั้นนะถ้าเขาชมสีนั้นให้ฟังสักหน่อยเนี่ยโอ้โหไปด้วยกันเป็นพุ่งเป็นควายเป็นปีเป็นคลุยไปหมดนั่นก็อสีที่น่าปราถนาเรานี่นี่แหละนะเรียกว่าที่อยู่ของมานถ้าถ้าไปชอบใจนะในนาคาสมาระเทรคถาเนี่ยท่านว่างไงนะพวกกันบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว้ใช่ นะเทระคาถามมีหลายหลหลายห ล, ยหลยพระเถระนะที่ที่ไปเห็นรูปที่หน้าปรารถนาเมื่อไหร่นะท่านเห็นเลยโอ้เนี่ยบ่วงแห่งมัจจุราชที่ธรรมชาติมาดักเลยเพราะนั้นคำว่ามานอันนี้ก็คือเนี่ยบ่วงแห่งความตายที่หมายถึงบ่วงแห่งความตายหมายถึงว่าบ่วงเราเนี่ยจะฉุดไปเกิดเกิดที่ไหนไมันต้องตายอีกใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหรก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความตายทุกทีเพราะฉนั้นถ้าเจอรูปที่หน้าปรารถนาเมื่อไร่ให้นะเออเนี่ยที่อยู่ของมานอยู่ตรงนี้แหละ ใจเราอะนะที่ไปชอบอันนั้นะนี่คือที่อยู่แห่งมารตกอยู่ในอำนาจมารถูกมารเนี่ยคล้องรัดถูกมัดไว้ด้วยบ่วงเรียบร้อยแลย้วเนี่ย